11. สติเกิดได้อย่างไรสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำหนดให้เกิดไม่ได้สติต้องเกิดขึ้นเองเมื่อทำเหตุให้ถึงพร้อมการที่จิตในวงเล็บไม่ใช่เราจำสภาวะวงเล็บเปิดลักษณะเฉพาะของกายและใจวงเล็บปิดได้วงเล็บเปิดเรียกว่าถีระสัญญาวงเล็บปิดเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ สติทำหน้าที่อารักขาจิตไม่ให้อกุศลเกิดและสติก็ไม่เกิดร่วมกับอกุศลเช่นถ้ามีความอยากในวงเล็บให้เกิดสติจะไม่เกิดดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องเริ่มจากการฝึกจำสภาวะต่างๆให้ได้มากโดยเฉพาะสภาวะที่เกิดที่จิตเช่นความโกรธความโลภความฟุ้งซ่านความหดหู่ใจความหลงวงเล็บหลงคิด หลงดูหลงฟังเสียงและอื่นๆแล้วลืมดูตัวเองวงเล็บปิดเพราะการดูจิตโดยตรงไม่ต้องฝึกทำสมาธิก่อนแต่เมื่อเกิดสติแล้วจะเกิดความสุขขึ้นและความสุขก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสัมมาสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นสภาวะร่วมในวงเล็บสามั ญ, ญลักษณะตามธรรมชาติที่แท้จริง ผลที่ได้จากการเจริญสติคือมีเครื่องอยู่เป็นสุขวงเล็บมีความสุขในปัจจุบันวงเล็บปิดมีศีลผลประโยชน์ต่อมาคือจะมีจิตใจตั้งมั่นได้สมาสมาธิต่อไปเกิดปัญญาเกิดวิมุตติเกิดวิมุตติยานนทัศนะเข้าใจความเป็นจริงของนิพพานชีวิตมีแต่ความสุขจะเห็นได้ว่าการมีสติจาเป็นตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด สติที่เกิดจากการกำหนดไม่ใช่วิปัสนาเพราะถ้ากำหนดหรือเพ่งใส่ตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถกรรมาฐานถ้าเพ่งกายเพ่งใจจิตจะไม่มีความตั้งมั่นทำให้ไม่มีสัมมาสมาธิผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดที่ทำพลาดทำไม่สำเร็จไม่ใช่ไม่มีสติแต่ไม่มีสัมมาสมาธิถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษ